วันนี้ลุงปูนี่ถ่ายไข่เลยเห็นญาติโยมมากมากนี่าศาสนาี่เจริญพวกเราแต่ว่าให้ทานนี่เยอะเลยแต่หาผู้ปฏิบัตินี่หายากอยู่หาทำบุญใ้ทานเนี่หาผู้ปฏิบัตินี่หายากดยูหาผู้เทศก็หายากอยู่เพราะลุงปูไม่ไม่เค่อยสบายเท่าไหร่ แต่พอยาธาตุยาขันไว้เป็นวันวันวันไปวันหนึ่งอายุเก้าสิบนี้ได้กินก็ว่าไม่ได้กินนะมูรานท่านว่าสิบปีอาบน้ำไม่หนาวยี่สิบปีเจ้าสาวไม่เบื่อละสามสิบปีไปไปไปไล่ก่อนกาละห้าสิปีไปนากอนไก่สี่สิบปี ห้าสิบปีไปไร่ทอดขาหกสิบปีไปนานทอดแข้งแล้วปวดแข้งปวดขาเจ็ดสิบปีเป่ากุยไม่ดังแล้วเท่นี้นแปดสิบปีตีละครั้งไม่ไปเพอเก้าสิบปีได้กินก็ไม่ได้กินลุงปู่เนี่ยแต่ว่าลุงปู่ก็ไม่หลงนะนั่นก็เป็นตีนี้เป็นแเป็นหิ้วหิข้าวหิ้วข้าวหิ้วน้ำหย้ว มันก็ชวนอยู่ยงั่นแหละขออมตะคํานึงขอกินได้คํานึ่งแต่มันชวนอยู่แต่ลวงปู่ไม่ตามมันเพราะพระเจ้าไม่สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้ฉันทุนเดียวกันแล้วด่ามันมันก็หายนะลองดูนะถ้ามันหิวขึ้นมาด่ามันเลยได้เะย อพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระุทธเจ้าไม่ให้เป็นเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายสอนง่ายอย่างนั้นนะพะพุทธเจ้าสอนองนั้นถ้าสอนมันก็เอาอยู่นะเอลุงปูด้วยมากตอนเช้าลุงปูจะเอาเอาอาหารแพร่เก่งเอาข้าวบินบาทมาได้น่ะมันก็ชวนอย่างนั้น่ะชวนขออมตะคําขอกินตะคําอยู่แล้วมันขอมันอ่อนมันออดอ่อนกิเลสนะแต่ลุงปูก็ไม่ตามใจมัน พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนองนั้นไม่เนี่ยนี่มันกิเลส ท, ทั้งทันต์เราแล้วแลามันมันกระโดดมามันก็หนีเนี่ยทั้ง น, นวันนี้ลุงปู่เห็นญาติโยมมากอย่างเงี้ยเอศาสนาก็จ ะ, จ ะ, จะเจริญนะเวลานี้โลกก็จเจริญเต็มที่ศาสนาก็จเจริญมีล้วคู่กันว่าจะใครจะแพ้จะชนะเท่า น, นั้น ถ้ามีผู้ปฏิบัติศาสนาศาส น, นาก็เหยียบโลกลงเลยเหยียบนั่นนะเหยียบกิเลสลงไปนะถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมนะอะ่กิเลสมันก็ที่เหยียบแล้วทําลงไปมันก็จะเสื่อมแต่หลวงปว่ายัางยังไม่เสื่อมเนาะยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยงังเนาะหลวงปู่เทินเคเล่าให้หลวงปู่ฟังว่าพระโสดาในเมืองกรุงเทพมมากที่สุดกันว่ากั้นนะ ท่านลุงปู่ท่านทําำนายไว้นะเช่นอย่งางพระใหญ่เงี่ยท่านก็จะให้ลุงปู่ทํำนาะยท่านบอกว่าอย่าเพิง่งหนีไปไหนมาไหนให้รักษาเกียรติครูบาอาจารย์ก่อนอลุงปูว่าไม่ไม่อยู่ไม่อยู่คือเราอยู่กับหมู่มากเราก็เบื่อเัมอนนะ้เาเขาไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็ใสมา เราก็เอาไปในกรรมะของครูบาอาจารย์ไปสอนอ่หมู่เพื่อนก็หาว่าเราด้วยนั่นเองหาว่าเอาถ้าอะไร อ, อะไรมัของเหงหมูม่เพื่อนดิเอามาเรานี้ก็เลยเป็นนก ข, ง ข, ง ข, งขงังเขาห้อยหวัวชี่มอย่นงนี้นะนกสองหวังวอะไรเราไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็เขกเข้ามาอไปหาหมู่เพื่อนก็แต่นั้นนะ่ะพวกท่านที่ให้ผมอยู่ยังไงแล้วอ่ม แต่หลวงปู่ก็ไม่โกรธนะไม่มีโกรธไม่มีนั่นไม่มีเลยไม่ไม่เงเราเกิดมาเรามาเจอของดีแเราเจอพระอรหันล้วเรื่องอะไรเราจะให้เสียถึงเปล่าเราไม่ไม่ไตั้งตัดจ่าลงไปคําไหนคํานั้นเลยท่านสั่งสอนอยังไงเอาอย่างนั้นเลยท่านบอกว่าธรร ม, มะนอน 4, สี่เศรษฐีนอนห้าชี้้านอนแปดเดนว่า <c oughs> แต่รูวงปูก็ นอนวันหนึ่งก็สี่ชั่วโมงวนกันนะเพราะท่านสอนหนึ่งอันเลยลุงปู่บัวท่านอ่านไม่ได้เขียนก็ไม่ออกอ่านหนังสือไม่ได้สักตัวท่านก็ให้ลุงปู่ไปสอนเอาพ่อสอนท่านนะไอ้หมอมาก็เป็นยอยักษ์ยอยักษ์ก็เป็นกอไก่ไปท่านนั้นนะท่านก็เล่าว่าท่านเคยเป็นนายพลลุงตามนตานี่เป็น เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านว่างันท่านว่าได้รับใช้อยู่ใต้ข้อมังคับมันชามาแต่ไหนตะไลมาท่านวาทนนงทางาี่ที่หลวงปู่สอนว่าสอนในในท่านหลวงปู่เอท่านมาทำอะไรเป็นนิสัยเป็นปันจจัยมาที่นั้นหลวงปู่ก็เลยย้อนกลับว่าก็ขออากาศกับผมหลวงปู่ว่าหลวงปู่ได้เป็นในผลนิสัยในผล แต่ไม่ไม่ติดตามมาหรือกับผมเหมือนหนีห น, นีไล่หนีไม่ลงมูหนีเลยเลาผิดแล้วเงินผิดแล้วว่านั่นเอาใหม่พอฉัน้นหงึ่งเหตุท่านจะเรียกไปท่านไม่ไม่พูดเรื่องนั่นเลยพูดเรื่องบุพเพไปเลยทีเดียชาติน้นเป็นน้นชาตินี้เป็นนี้อยู่ฮะท่านว่าท่านท่านมาเป็น เอช้ า, างอยู่มัดป่าลนองแสงได้สองสองสองครั้งสองเชือกฉนันหลวงปู่ฉันจะไปปั้นช้างขึ้นมาอ่เพราะมันมันเป็นป่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะป่งผีปง่งผีอ่าในผ่านมันมันมันตายแล้วมันมาอยู่ตรงนั้นทนะ่านว่าผีปง่งสัตว์ทั้งหลายก็เลยมากินน้ําอยู่ตรงนั้นอยู่ใต้กีดีของท่านนะมีน้ําออกบ่ออยู่ตรงนั้นแนละ้ว ตัดทั้งหลายมารวมกินนะนั่นก็ถูกในพานยิงตายท่านว่าท่านมาตายอยู่นี้เป็นชาติที่ห้าแล้วชาติสุดท้ายแล้วท่านว่าอท่านว่าอย่าไปทําอย่างอื่นทำกีดีไว้แล้วก็ทําพระให้ลูกหลานมากร า, าบมาไหว้จะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยอย่งนั้นอย่าอยู่รักษาเกียรติครูบาอาจารย์ไปก่อนท่านว่ากันนะหลวงู อ, อจะได้สร้างขึ้นมาไม่ไม่ใช่ว่าหลวงู อ, อคิดจะสร้างนะ คิดว่ามันสุดวิสัยมั่นทำไม่ได้เราอ่ากันลมาดูเอ๊เราจะทำยังไงเ น, น, น้อเนี่ยมันท่านพูดแดีพอสอตรงสิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดลุงปู่รู้หมดเลยรู้ว่าท่านว่าสระมีสองสระสร ะ, สะล่างสระบนที่ดินแถวนี้รักษาไว้มันจะเป็นบ้านผู้เมืองคนบัดป่าจะกลายเป็นวัดบ้าน มันบ้านจะกลายเป็นคนดายคนดายจะกลายเป็นผีบ้าขันท้าทุกมุมเมือง่สว่าเนี่ไงเวลานี้ขันท้ากันอยู่กันแหละทุกมุมเมืองนะต่ว่าหาผู้ปฏิบัติมันหายากอยู่เวลาเนี้ยฉะนั้นให้ญาติโยมให้ภากันตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทมั่งเพราะถือว่าเรานี้เป็นนักโทษนักโทษพระยามัจจุราช พวกคนนี่ต้องตายไม่มีใครเหลือสักคนนะครับต้องตายเนี่ยนี่นึกถึงความตายเนี่ยพราะพระเจ้าถามพระอานุ์พระอานุ์นึกถึงความตายวันละเทา่าไวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะแต่นดนประมาทแล้วท่านวางครับพระพรเจ้าให้ทุกลมหายใจท่านวา ง, ย, งายิ่งอายุมากๆอย่างหลวงปู่ไม่มีอะไรเลยเวลาเนี่ยมีแต่คอยจะ่ล ม, มจะหมดเท่นานั้ะ ร่วมหมดเมื่อไรก็ไปวันนั้นนะเพราะว่าพากันภาวนาเหมือนกับหลวงมู่ท่านทํานายว่าพระโซดาในเมืองกรุงเทพมากที่สุดกันหวางเพราะศีลเขาบนที่สุดแล้วอืมภาวนาก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เทนาก็ไม่จะผิดศีลเลยห้าขอ้อถ้าศีลตัวนี้บนที่สุดภาวนาไปเร็วๆต้องลองดูนะ ถ้าหาสินบริสุทธิ์แล้วไปเร็วแล้วภาวนาถ้าสิ้นไม่บริสุทธิ์นี้ไปยากอืมฉะนั้นจะยาติโยมให้พากันอย่าประมาานะวันนี้หลวงปู่สร้างจะสร้างไอ้ช้างใหญ่สองเชือกอยู่ที่นั่นนะเป็นอนุสรของหลวงปู่ท่านัท่านท่า น, ท, านท่านพูดไว้อย่างนั้นถูกนายพรานมายืงตายนะั้นนทําประตูโขงประตูโขงนี่เป็นช้างละ นี่อย่างหนึ่งลุงอูสร้งบ้านพักคนชรามีอยู่สามสิบห้าห้องข้างบนจะเป็นโซล่าเซลล์ข้างล่างจะเป็นโอท็ปอปย่างนี้ญาติโยมไปพักไปปฏิบัติของลุงอไไูไม่ไม่ไม่ไม่มีไปขายตุ๊กขายเทียนไปขายดอกไม้อยังไม่มีอ่าลุงอูตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าคนได้ไปน้องแสง ต้องไปนั่งภาวนาให้ลุงกูคนละเก้านาทีลุงกูก็พอใจไ ม, ไม่ต้องมากเราขอเก้านาทีก่อนจะออกจากวัดป่าหนองแสงทำกิตให้สงบมันมีอยู่สองชั้นที่เลยชั้นชั้นล่างชั้นบนชั้นบนจะมีรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากทั้งสี่สิบกว่าองค์ที่เคยไปอยู่หนองแสงองค์ไหนได้ไปอยู่หนองแสงลุงกูจะจาได้หมดเลย ถ้าแกจะหล่อรูปท่านขึ้นไปไว้ตรงนั้นเอาชั้นที่สามจะเป็นชั้นที่ไว้วัตถุโบราณไว้ให้เป็นของวัตถุโบราณขึ้นมาเป็นของเก่าของแกใครมีแล้วเอาไปรวมกันไว้ตรงนั้นแหละเอาไว้บ้านเขาอย่างนั้นนะเอาไว้ตรงนั้นแหละไว้ตรงที่อ่ของปู่ชั้นที่สามพราะปดจากนั้นมันมันมันขึ้นไม่ได้เราตรงท่านที่สามนะ่ะ ไม่มีใครกล้าขึ้นห อ, อกเพราะมันเลื้อออกไปมันมันจะก็เป็นได้ชั้นที่สองชั้นที่สามนี่ก็ต้องมีลิฟต์เนี่ยรู้ว่าจะตามลิฟต์เลื้อไ่ทํากัน็ก็จะดูทักอีกทีหนึ่งให้สมควรสมเหมาะสมควรที่จะทําแต่คิดว่าคิดว่าไม่ทําเพราะมันเป็นวัตถุโบราณเนี่ยมันไ ม, ม, ม่ของมีราคาราคาอยู่ตรงนั้นส่วนทองคํานี่ลูกกู่จะไปไปวิสเกบ ไว้ไว้ที่ไวนะ้ไว้เกตไว้เกตสูงๆนะไอ้เกตนั้นไม่ไม่ใช่น้อยนะนะ่ะกว้างสามเมตรยาวไม่ใช่อ่สูงอีกเกตน่ะจะบรรจุได้มากที่สุดคือตองคำอยู่นั้นอยู่ข้างบนไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้อยู่ข้างล่างส่วนที่มันเหลือเราก็จะจะวางไว้ตามตามจุดต่างๆอ่ตามทั้งสี่ทิศอนะ่ะ แล้วก็จะมีลายแทงไว้เลยลุงกูจะทำงานไว้ส่วนข้างนอกน่มันจะเป็นโทร่าเซลล์กับที่โอทบถ้าใครอยากจะทำบุญสลักชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายใส่แต่ลุงกูททำนี่มันก็จะแค่สามแสนะห้องหนึ่งมีห้องน้ำห้องท่วมมีแอร์มีอะไรครบไปหมดเลย มีโซลไลโซล่าเซลหมดนะเพราะฉะนั้นญาติโยมอยากทําบุญให้พ่อให้แม่ตักชื่อไว้ให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายของเราเอคนละห้องละห้องเลยถ้าจะของกลับไปก็ไปพักก็ได้ตัวนึ่งไปพักอยู่ก็ไปเห็นชื่อพ่อชื่อแม่เราอยู่กันก็จะมีความศกดิ์นะเวลานี้ก็แต่ว่า มันเสร็จแล้วล่ะไ ม, ไม่ไม่มีอะไรล่ะคิดแต่ว่ามันลอยต่อมันมันมันมันไม่ไม่ไม่เนียนแล้วนะถ้าเราทำํำลอยต่อให้มันเนียนแล้วก็อย่างไอ้หลวงปู่ไอ้อะไรที่อ่ลูกบ่เมตตาที่พุทธคยาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเนียนจริงจริงเนี้ยเป็นเร่องในของเรานี่ตกกุกตกขาอยู่แต่แทบถ้ามองไปไกลๆก็เนียนเหมือนกันนะแต่เข้าใกล้ๆเนี่ยแม่ แต่ลถ้าจะพูดเอาคนหมู่มากก็อะลุกหัวไดแพ้เพราะมันเป็นประชาธิปไตยเลยคนไหนก็มีแต่สวยแต่งามแต่ลุงหัวไม่สวยเพราะมันไม่เนียนนะฉะนั้นเรว่าใครอยากจะทำให้พ่อให้แม่นะมีอยู่สามสิบห้าห้องนะอันเนี่ยห้องละสามแสนมีสระเซมีมีแอร์มีอะไรครบหมดนะห้องน้ำในตัวอยู่ในตัวทั้งนั้นเล เาชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อปู่ย่า ต, ตายายเราเราก็ไปใส่ไว้แลน้นล่ะนะเพากฉะนั้นก็จะให้พรนะหรือรมีอะไรอีกบ้างไหมฮะีัเดี๋ยวหลังจากผมปูกฉันจะจะมาทำข้าป่าที่จะน้อมทาบุญลองบุญกับหลวงปู่วันนี้เออเอาฉนั้นรับพรก่อนเนาะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวิโตตินังเปตานางวกปาติอิจิตังปิตังตุมหังกิพามเอวัตเมตตุสภพปุเรนตุสังขปาจันโทปนราโสยะถามณิโชติราโสยะถา ปรุโกวิยนสาตุมาอาวันวันตรายอสุขิเิกาโยกบ่าวาเปร่วะ มานฐานาสิเรนเสนจางวุฒาประจางเยนวังจดตระรอนธรรมวาทานติอายุวาน้อยโตขักขมีนาปุญญากรมนาอุปัชฌายานุตรา อจรยยมปการาจามาตาปิตาเจียสการพิยาแมามังริยวจันเดมาราชางูนาวันตานาลาปิตาพระมัมาลาจินตาจาโลกปาลาเจเดวตาญาโมมิตามนุสย์จ้ามาจัตาเวรกาปิตา ตระเบิตันตสุขีหุนตัวองพุนญานิประกาศนามยมโยกังกาชีวิตังเดินตัวองเกิบปังบาเปตวมตั้งยิ่เมนาพุนญาตาเมนายิ่เอนาอุดระเจนะจ่า เามังสุรเพเกวันตันุปารานาเชตนางยาทันตานนนทัมมะยาวานิมานโตมมังนาทันโตชาบทายเวไยตัจโตเภเว โวยโวยเกิดดังสติปัญญาสังเลขวุเยกามีนามาลาลาพันตุรก า, าสังฆาทุนจะวิริยสุเ ม, ม บุรดาปิปะวโรนาโตตัมโมนาโตวโรตัโมนาโทปัจเจกบุตโตจสังโรนาโตโรมังเทสดัมมานุภาเวนามาโลกาสังลาภันตุมาาวัสดสัพมังกลังไรคันโตชาปเดวตา สรรพุตธานุภาเวนัสดาตุทิปวานเตห์าวตุสพผังกลัรกันโดสาบเดตาธรรมบมานุภาเวนาสดาตุิปวนเตหาวตุสพผังกลัรกันโดสาบเดวตา ชาปสังฆานุภาเวนะตาดาโสติอวันโตเตนา เทพหลวงปู่ครับเดี๋ยวขอให้ญาติโยมได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญอุศล น, นะครับนี้จากหนังสืออมะตะทมสนสมเด็จโตพรงังสีนะครับขอให้ทุกท่านได้กล่าวนโมสามจบนะครับนาโมตัสสะควะโตะอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo t a t h a j a a k a v a t o arato samma s a m p t a j a namo t a t h a j a p a a v a t o arato s a มา a s t a j a ข้าพเจ้า ทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่สิบชั้นพรหมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมาโลกโยมโลกอัปบยภูมิทั้งสี่มีนรก นินโรธเปรตอสุรากา ย, ส, ากายสัตว์เดรัจฉา น, านและในหมื่นโลกธาตุาศับอีกแสน จ, จักรวาลพิภ พ, จจ พ, พทั้งที่เป็นมนุษย์อ่ามนุษย์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 ่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและ ก, กันเล ย, เยบบบขอให้ทุกรูปทุกๆๆๆนามจงโมทนาในส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุ ข, ชสขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับๆๆๆๆๆนาการบัตรนี้ด้วยเทินอระหัง สาพุทธพระขวาพุทธังรวันตัอภิวาเทมิสวากขาโตพระขวตาธโมธรรมังณมาสามิสุปัิปันโนรวัตโตสาวกังโค not. Nah.